ฟังสะกิรรมนะรู้จักคำว่าเสวยไห ม, มวันนี้ขอเสนอคำว่าเสวยอารมณ์รู้จักเสวยไห ม, มเสวยยกตัวอย่างที่เสวยเสวยอะไร พระกยาหารนะสเสวยพระกยาหานะถ้าไม่อยากสเสวยพระกย ا า, ารก็สเสวยพระสังก์ก็ได้นะพระเสวยพระก็ได้พระอะไรพระกยาหารเป็นยังไงพระกยาหารเนี่ยอยู่บ้านไหนพระกยาหารเนี่ยอยู่บ้านไหนพระกยาหาน โอ้พูดยากเนาะเสวยพระกายารถ้ากินเหล้าหรอเสวยอะไรเออเสวยน้ําจันเสวยแปลว่ากินเสวยอารมณ์แปลว่ากินอารมณ์เป็นยังไงวันนี้เสวยอารมณ์ไหมไปเดินจะูกมอย่าเสวยอารมณ์เนะอย่าเสวยอารมณ์ อาหารแบบไหนที่น่ากินที่สุดยังได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งเนี่ยยังไก่ตัวหนึ่งมาเอา้าไก่บ้านเราปิ้งกับไก่วิเชียนบุรีอันไหนน่าเสวยหรือนั่นแหละมันอยู่ที่การอาหารอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ปรุงนะ อยู่ที่ปรุงถ้าปรุงมากก็อร่อยมากดในนั้นอารมณ์มันมาจากไหนเออมาจากความคิดนะฮะมันคิดมันฝังอยู่ในจิตตัวนี้ถ้าเราปรุงมันก็อร่อยนะั่นก็ได้เสวยนาะนเสวยจะเป็นพิษไหมเป็นพิษนะเสวยอารมณ์นี่มันเป็นพิษนั้นก็อย่าเสวยมันถ้าไม่อยากเสวยแต่ห้ามไม่ให้มันมาได้ไหมไปได้สิ่งที่ถ้คือคุณอย่าไป อย่าไปปลุงถ้าปรุงคิดเพิ่มมันอันนั้นคือคิดดีอันนี้คือคิดดีอันนั้นก็น่าคิดอันนี้คือมันจะกินน ะ, ะเศรษฐาติช้าถึงขำเราจนหนักหัวโอยตายกูสวยอารมณ์นะเนี่ยอืยเราตาเดินไปถามโยมคนหนึ่งเป็นไงวันนี้หเสวยอารมณ์ก็เลยนึกได้นำมาเสนอดีกว่าว่าสวยอารมณ์อย่าไปสเสวยมันมากนะ ทำไมเธอเสวยนะโอก็อมันอร่อยเนี่ยคิดแล้วคิดเองโอ้มีในหมูของเธอนี่อร่อยแล้วเกิดเนาะว่าใส่ผงอะไรอะผงราคะผงโทสะผงโมหะมันขึ้นมาสักพักนะแล้วมันก็ดับไปเหมือนเดิมนะสิ่งที่เราเสวยเนี่ยถามว่ามันมีตัวตนไหมไม่มีนะแต่เราก็ชอบนะไม่ชอบชอบนะกินมากยังไม่พอนะแดก ด้วยจำเป็นคือมันหนักอกหนักใจพอสุกควรก็ยังคิดเข้าไปอีกนะ่อยนะเหมือนอาหารมันเต็มแล้วก็ต้องแดกลงไปอีกนะ่ยความคิดก็เหมือนกันแดกอยู่นั่นแนหะไม่รู้จะแดกไปทําไมแดกความคิดเสวยอารมณ์นั้นอย่าเสวยถ้าไม่อยากเสวยก็อย่าไปปรุงอย่าปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งเนี่ยพอไปดูอาหารถ้ามีอาหารที่โต๊ะนะมีอันเดียวเหมือนกันหมดนี่ดูตาว่ามันตักอันเดียวมันก็เลยไปแหละ แต่เนื่องจากแม่ครัวเขาทาเขียวบ้างเลื้ยงบ้างขมบ้างอนะไข่เหมือนเดิมเดี๋ยวก็พโลาบ้างทอดบ้างไข่จามบ้างไข่ปิ้งบ้างไข่นั่นหรืมีสารพัดไข่มันก็ไข่อันเดิมเนละแต่ว่ามันแปลกเขาเรียกเขาปรุงพอปรุงมันก็ต้องเหมือนเดิมแหละของเราก็เหมือนกันคิดเรื่องอะไรอะ่ะเดิมที่มันเป็นราคะนะจิตจริงๆนะมันจะไปลงที่นั่นนะแต่มันเริ่มดีหวัดเพลินกระงามเนาะ ปัดกวดบุญนี่ปัดกวาดทำความสะอาดสะอาดไปปลูกต้นไหม่บุญนี่ปลูกต้นไหม่แล้วก็โตใหม่ยี่นอนมาตังอืมไปส้วนแฟนมันนั่งบนหน้านะเน่ยมันจะเริ่มไปทางนั้นน่ะดีนะจิตเนี่ยออืบางทีบางคนเดินจะกมเดินไปนะว่านกูถือเหรีกแล้ววันที่หนึ่งกูเย็ดอย่างนอเ <laughs> งี้ยวเลยบัตริพรอมเป็นเงินหลายล้านไงแต่นั้นถึงค่ำละพอได้เรื่องแล้วเนี่ย ปรุงละทีนี่เฮ้ อ, เ, อเมียจากสามคนว่าลูกคนแรกกุศิสงมาเลี้ยนแพลต์พอมันฝุ่งสารพ่อตายอยู่มันจะไปเลี้ยนแพผลตั อ, อลูกคนที่สองเฮี้ยนอย่างหนักมันก็ปลุงไปเผื่อจะถึงค่ำนี่โอ้ยหนักหนาสาหัสแล้วเนี่ยนันยปป้นอย่าไปปลุงมันจะไปคิดเฮ้ยมันคิดถึงมันลเลยนี่ตัดทันทีเลยตัดตัตัดตั ด, ต ด, ต ด, ต ด, ตดใจอย่าไปปลุงแต่งถ้าปลุงแต่งแล้วมันยาวอย่าปลุงแต่ง คิดเฉยๆแวบขึ้นมาเหมือนได้อาหารสดๆได้ป่ามาตัวหนึ่งบัท่านใดต้มบ่วท่านใดแกงบัท่านใดใส่ผักมีคนกินน้าบอพวกกินเนี่ยถ้าเราไปกรุงเทพพอๆยังช่วยถ้าไปต่างประเทศเนี่ยได้มาเหมือนกันอาหารแต่เครื่องเครื่องเครื่องเครื่องเครื่อเรียวเครื่องอะไรเครื่องเทศเครื่องเทศมันไม่มีไม่มีเครื่องปรงุงมันไม่น่ากินนะอยู่เมืองนอกเนี่ยวันทีเรื่องเดียวแต่เรามาปรุงน่ะคิดที่ได้มันคิดแวบประมาณนี้เดียวนะ พอได้ตามใจก็เป็นโลภะโฉนกสนุกนะพอไม่ได้ตามใจก็หงุดหงิดเป็นโทสะเห็นไหมมันกลับไปกลับมาอยู่เนี้ยเท่านั้นเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอ่ะเพรนั้นอย่าปรุงแต่งจิตให้รู้อยู่กับรูปนามนะอย่าเข้าไปในความคิดอย่าปรุงแต่งจิตอย่ายึดติดรูปนาม อยู่กับปัจจุบันในลึกรู้เฉยๆให้จิตมันตั้งมั่นในลึกรู้เนี่ยทุกอย่างก็เท่านั้นแหละมันเป็นเช่นนั้นเองที่นี้เราก็รู้จักนะว่าคําว่าปรุงแต่งเป็นยังไงส่วนมากชีวิตเราคือปรุงแต่งปรุงแต่งเรานึกว่าปรุงแต่งแต่ร่างกายไม่ใช่ปรุงแต่งสังขารคือจิตเราเพอเราปรุงแต่งสังขารจิตเนี่ยมันยาวเลยเป็นเรื่องเป็นราว ถามาได้อะไรหลังจากจบการปรุงแต่งได้อะไรไม่ได้อะไรสักอันน่ะได้แต่ความว่างมันไม่มีทุกอย่างมันมาสู่ความว่างอยู่แล้วทำไมเราไม่ทำให้มันว่างเลยอะ่ะคนเรามันติดติดความคิดมันเลยยาวนานปรุงแต่งมันไม่ออกนั่นจะไปปรุงแต่งรู้เฉยเฉยรู้สักแต่ว่า รู้สักแต่ว่ารู้เห็นสักแต่ว่าเห็นอย่าไปปรุงแต่งมันก็เท่านั้นแหละรู้จักคําว่าฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านอืมฟุ้งซ่านคือมันฟุง้งมันซ่านไปเนี่ยจิตเนี่ยเวลาจิตฟุ้งซ่านเขาบอกเหมือนน้ากระเพื่มมันน้ํากระเพื่มบุก ค, คนผู้หวังจะส่องดูเงาตัวเองในน้ํา ยมไม่สามารถที่เห็นตัวเองตามความเป็นจริงได้เพราะมันฟุง้งซ่านมันเหมือนเงาที่มันกระเพื่มนะ่ะน้ำกระเพื่มเราต้องทำให้น้ำมันิ่งน้ำมันิ่งยิ่งถ้าน้ำเป็นน้ำขุนกรารบันทานี่เป็นน้ำขุนนะ <c oughs> มันขุนเนี่ยหายยากอารมณ์ราคะเกิด ราคะโทสะโมหะอันไหนเกิดง่ายที่สุดราคะโทสะโมหะอันไหนเกิดง่ายอันไหนดับง่ายโทสะเกิดง่ายนะอันไหนดับง่ายโทสะนี่ก็ดับง่ายนะโทษเยอะไหมโทสานี่โทษเยอะนะ แต่ดับไวโลภะเกิดง่ายให้เกิดความโลภนี่เกิดง่ายหรือเกิดยาก ม, มันจะมาเป็นจังหวะจังหวะสามมันเนี่ยมันมีเท่านี้เองมนุษย์เนี่ยมีราคะโทสะโมหะบางคนดับโทสะได้แล้วดับตัวพยาบาทได้ สังเกตวนาคนปฏิบัติทำก้าวหน้าในเบื้องต้นนี้ตัวโทสะจะน้อยลงอ่ะนะตัวโทสะมันจะลดน้อยลงเพราะมันอยู่ตื้นกว่าเพื่อนแต่ในขณะเดียวกั น, นมันจะเป็นอัตตาแทนเป็นปฏิฆะปฏิฆะแปลว่างุนยิดไม่ถึงกับโกรธแต่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆมาอยู่ทั้งโลกนะพยาบาทนะพยาบาทคือมันฝังใจชังคนก็ชังเกลียดก็เกลียดนะ มันฝังใจอ่ะแต่พอมาปฏิบัติธรรมขึ้นมานน้อยแล้วดับได้ดับได้ไม่ค่อยมีโทสะแต่มีปฏิฆะปฏิฆะก็ต้องล้างนะอันนี้ปฏิฆะก็ต้องล้างมีไหมบางคนที่คิดถึงอดีตโอ้ยอดีตตั้งแต่เล็กแต่น้อยไหลมาเทมาไม่เคยเห็นก็ไม่เคยลืมไปแล้วกลับมามีไหมนี่นะลบมันทิ้งให้หมดนะควา ม, มันขึ้นมาลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้ง อย่าให้มัอนมีข้อมูลเหมือนเราลบเทปนะมีเครื่องอันหนึง่งนะตั้งไว้เนี่ยดึงผ่านมันจะลบมดนะเทปนึ่งปรุงแตง่งพอรู้จักนะฟุงซ่านพอรู้จักนะสวยอารมณ์ต้องให้รู้จักนะศัพท์พวกนี้ถ้าไม่มีสภาวะธรรมนี่มันไม่รู้นะถ้าฝึกหน่อยมันถึงรู้จัก นิวรนพอรู้จักแล้วนิวรนนิวรนในตัวเด่นเด่นที่สุดที่คุณหน้าคุณตาที่มาเยี่ยมมายามเราประทับใจที่สุดก็คือตัวง่วงนะง่วง่งว ง, ง, วงของเรานี่สู้กับความง่วงสำนักอื่นเนี่ยเขาไม่ค่อยนะเขาให้นั่งธรรมดานะนั่งปฏิบัติทำจอยู่ทั่งนวดแล้วปกติเขาจะเริ่มปฏิบัติธรรมที่บ่ายสองโมงนั้นฉันข้าวแล้วก็ตามสะดวกนะบ่ายสองโมงอย่าลืมมาเจอกันนะ มันก็สบายดินะเนาะแล้วเขาก็จะเลือกบ่ายสี่โมงอย่างเงี้ยเลือกบ่ายสี่โมงทำวัดตอนหกโมงเย็นเอามันก็สบายอีกสี่ตอนสี่โมงถึงหกโมงนี่มันไม่เหลือห็อกปล่อยไปเนี่ยท่านต้องไปสเสวย <c oughs> สเสวยอารมณ์ละเสวยนิวรณ์เนี่ยแน่ๆนะขนาดคุมอยู่ตีละครก็ไว้ก็ป่านนี้มันยังด่าศาสตร์มาอยู่นี่ไอ้ <c oughs> <c oughs> ตีไว้เมมันตุบมัน ก็ไม่อยากให้เสวยแหละเราเสวยนีิวรณ์หรือนิวรณ์เสวยเราเออนิวรณ์เสวยท่านทั้งหลายนะมันกินเขียวกินเขียวกินขมือกกินขมือกกินจนเห็นไหมตาแดงออกมาเนะ่ยมันยากมากด้ทั้งง่วงทั้งเงาทั้งเบื่อทั้งไหนนั่นก็ต้องเห็นมันเห็นอารมณ์เห็นทุกข์ เนี่ยวันนี้นี่ถ้ากินอาหารเยอะนี่ก็จะง่วงอย่าเนี่แถวต่อมา